เมื่อนี่ยพี่น้องเก่าหลวงพอ่อลูกหลานบ้านตาดหลวงพ่อเขอยู่บ้านตาดแต่งแต่สองพันห้ารอยสิบสองจนหอดสองพันห้ารอยยี่สิบห้าเป็นเวลาสิบสามปีบุกเคยไปจําบรรษาหมองอื่นเลยเ่อไปบินทะบาทกับลูกหลานโมเน่แหละ ท, ที่มาทีม่มาทําบุญโมอนี่แหละหลวงพ่อจําบรรษากับองค์หลวงตา มาอยู่ใหม่ๆบ้านตาโอ้ถนนทอนทางหมดเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นบางช่วงกันไปแต่ลวงตาเนี่ยเพิ่นลงทุ่นเลยแกขี่หินมาถมแต่ละปีแต่ละเดือนโอ้หมดจะต่างไปมากขึ้นกันดูแลบำรุบบำงถนนเขาวัดในพี่น้องลุกรานใดเที่ยวหลวงพ่อก็อยู่สมัยเนี่ยพระก็บรหลายเล้หลุงตาบวชรับหลายกันไป หลับประมา้านสักสิบผาสิบพกองเท่านั้นนะยางมากมากที่สุดยีออดออ่สิบสองคนออกออไปคัดหอดยี่สิบสองเอาแล้วชิดลาออกเราคนเราไปเพราะนัน้นพระเนรนอยู่ในวัดว่ะพวกนาบอต่างชาติเตอเตอตาตาในขั้นขวางหูขวางตานี่ก็เด่นห ล, ลุดเราเราไปวงตาเราเป็นธรรมดาเด้สมัยยังนุมเราไปนี่แหละหลงพ่อเนี่มาอยู่กับพี่น้องหลุกหลาน บ้านตาดเป็นเวลาสิบสามปีถือว่าเป็นพี่น้องเกา่าเนาะไปเม่นันห่นมาทาบุญอุทิศอุทิศส่วนกุศ ล, ศลถึงปูยาตายายของคนพ่นพอแม่ญาติพี่น้องตลอดถึงผูกเกี่ยวของกันไปวันหนมาวัดหลวงพ่อน่า น, นคงจะมาเยี่ยมมาเย็ยนดีแนละ้ลูกหลานเลยกันมีโอกาสมาเยี่ยมมาเย็ย น, ม า, ยยนมาเบิงแต่หลวงพ่อเองก็ เมื่อได้ว่างช่วงที่นั่นๆหลวงพ่อกั บ, บเจ้าแวบขอไปกราบอง์หลวงตาขึ้นกันน่ะถือว่าเป็นโฮมพ่อโฮมไสเป็นที่เคารพนับถือทั้งทั้งนอกทั้งทางในทางในคืออย่างก็คืออบรมทางด้านจิตใจได้รับความรู้ความเย็นใจมีความสุขทั้งจิตทั้งใจได้กาบอบรมจากหลวงตาแต่ส่วนภายนอกเป็นก็ให้ความคุ้มครอง โดยปัจจัยซีมากม้เนี่แหละสรุปเลยก็คือเป็นโฮมโพโฮมไสของหลวงพ่อเองน่ยพูดง่ายๆตั้งแต่เมือ่อโฮมโพโฮมไสหลวงพอ่อกับหลวงพ่อกันน่ะมีหมูมีเพื่อนมีออกตนญาตินุม่มขึ้นกันสรุปเลยวงหลวงตาเห่าเนะี่เป็นโฮมโพโฮมไสขุมคล้องลูกหลานสุขขู่สุขคนมือนี่เป็นมือสี่มาทําบุญอุทิศส่วนกุศล ให้พกเข้าอุทิศส่วนกุศลหน้าตังอกตางใจเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้เป็นประเภทนี้ของพระพุทธศาสนาเมื่อพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ทดแทนพระคุณของท่านเรื่องดูท่านด้วยข้าวนาโภชนอาหารสิ่งใดที่เข้าที่ซอยเหลือเพลินได้เข้าก็ได้ี่ซอยเหลือพ่อแม่ได้เมื่อเพลินล่วงลับ ไปแล้วเฮาก็ทํำบนบนอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้เพลินนั่เพลินยังมีชีวิตอยู่เฮาก็จะเป็นดูไ ด, ด้ดูไดก็คือบ่ให้เฉยเมื่อยวันมาไปพอที่จะซอยสิ่งใดๆก็ซอยคนขาดเหลือขาดตกยังเพคนเจ็บไข้ใดป่วยจังใดเป็นนาทีของลูกทุกคนบมเมนของผู้หนึ่งผู้ใดเพราะว่า ทั้งพอ่อทั้งลูกสาวลูกชายที่เกิดมาจากพอ่อจากแม่บางคนก็ น, น่อยอกน่อยใจพ่อแม่อือ่ยนึน่ที่คนบอกมาเหมือว่านเมือก้อนบอกให้ลุงพอฟังวา่าพ่อแม่หักน่องสาวอออ่ะกว่าตัวเองก็เลย น, น่อยอกน้อยใจโมโหขึ้นมาอทะเลาะกับพ่อเอาไปมากปืนยิงพ่อกับแม่ตายทั้งครู หลวงพ่อได้ยินนะโอ้ตายตายตตตเอ อ, อ น, นั่นตริยกรรมหายยางมาหันเลยวันนั้ไปพ่อนั้นผั ว, วเข้าได้ยินคำพูดคำเทศของหลวงพ่อเลยซ้ำนึกให้ดีเนาะพ่อแม่ให้ก่อนร่างกายเข้ามาแตงแต่หัวจดตีนมาแล้วเพลินเป็นผูมีบุญคุ้นย่างมากเลยเข้าจะไปหาท่วงยังเอกกับเพลินน่ะเออเพลินไห้เพลินเต็มที่แล้วขนาดนั้น เข้ายืนโดยล่ำแข่งของเข้าได้แล้วเข้าก็ควนจัอพัฒนาตนเองทรัพ ส, สมบัติในโลกนีเ่เพื่อไผ่เพื่อคนมีปัญญาถ้าว่าผู้ใดมีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้คันว่าผู้ใดโง่เยอย่างเดียวเท่านั้นนะหออกินเขากินเขากินหัปวดตีนกินแข้งกินขาเพราปัญแค่ขีข่ขานขเข้กไปนี่แหละ พอให้พวกเข้าทั้งหลายนะ่ะหลวงพ่อได้ยินน่ะหลวงพ่อสลดสังเวชใจบ่านาเกิดขึ้นในพืนแผ่นดินไทยเฮามาจจะไดดวงวิญญาณเดียวมากเกิดกระท ร, ร่มดาพ่อแม่ก็ทัมดาจะให้ฮักลุกทุกข่สุคนก็เป็นไปบ่ได้เพราะเหตุใดเพราะพ่อแม่ของเขายังมีกิเลสอยู่ยังมีลาคะโทษสาโมหะอยู่จะให้เสมอภาคกันคือใจพระหันสิดใดจังได ขันผู้ใดดีกับเพินเพลนก็ดีน้ำเพินกระหักผู้นันไลขันตัวเองมากก็บมีตรลูดทูทางมิตรขาดตีพ่อแม่มีแต่หาเรื่องหาเล่าให้นักกตกนักใจพ่อแม่พ่อแม่ก็สิหักจังไหเพราะว่ามิตรเรื่องเล่าขันผู้ใดามากก็มีแต่ให้ความเอือเฟือ่อเอืออาลี่แม่จะกินยังพอสีไปไสบอกเนะ้อแล้วกัน มีอย่างสีซอยเหลือพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องหักผู้นันก็เป็นของธรรมดาคานาวาตัวเองมากเลยอรือจะบอเพื่อนหักพ่อลูกจังั่นเข้าก็ต้องทําตนให้ดีลงกังตัวแข่งกับผู้อืน่นยังค่อยแมนเพราะว่าร่างกายของเข้าเนี่ยจ้งแต่หัวคอตีนเนี่ยเข้าได้มากจากไผได้มาจากพ่อจากแม่เข้าบริปฏิเสธว่าบรได้มากจากพ่อแม่ได้เมื่อพ่อแม่เลี้ยงเข้ามากแล้วเนี่ยไปันนี่แล้วนั่นแหละทีนี่ เขาก็ต้องมันขยันอดทนให้หูจักหาให้หูจักเก็บให้หูจักใช่เ อ, อีต่อไปมันกี้หูจักเก็บหูจักใช่มันก็ลำลุวยขึ้นมาเท่านั้นแหละหูจักกินหูจักท่านอีกจังหากบอมเป็นนะอย่างนั้นไหท่านนะหูจักขั้นบ่มมีอันนี้สงท่า น, นเฮ็ดอย่างไรมันก็บวรลุ้ยลไปอันนี้สงท่านบ่มมีในอดีตชาติแมนยูหา ก, กินใส่ปากใส่ทองแล้วกเพียงพ่อแต่ฟุกๆเนี่ยสิ่งที่มันฟุกๆขึ้นมาเนี่ยด้วยอั น, นิส้สงท่านเลย เพราะนั้นทั้งกินทั้งท่านพร้อมตั้งทั้งหูจักหาหูจักเก็บให้หูจักใช้พร้อมขั้นหูจักบริหารจัดการอย่างสัตย์นนะั่นชีวิตของเฮาก็จะราพึ้นเรียบร้อย ม, มีแต่ความสุขความเจริญเพราะหูจักการบริหารจัดการกับเจ้าของขั้นคำว่าโบงจักกา ร, รบริหารจัดการนี่ถึงจะมันขยันปันไดก็ตามคือการกับเฮาขยันตักน้าไม่ใส่ตุ้มขนห่วจะะัดอไหายขนหัวโองคนหัว ขยันมัตักเซลล์เนี่ยพอหัวออกหัวออกพอเหตุใดเพราะใจของเขามันหัวเนียพราะหาเงินมาได้แต่หาคิดทั้งออกละ่ะพ่อปานก้อนเล็กแดงคานไฟมาใจมือเข้าน่ยสะบัดถิ่มมันลงไปพอหามาเลยก็สะบัดถิ่มพราะเงินข้ามรัพย์สมบัติมันห่อนมันไปมันบ่ยินเพราะนั่นเข้าสิลําสิลวยขึ้นมาได้จางไหนพอได้เงินคือไม่มีทหานเนื่องสี่ใจก่อนสี่ใจก็ต้องคิดบางสกน วาเข้าสีใจไปหยังเพื่อหยังได้ประโยชน์หยังในการเข้าใจนี่ยเข้าเก็บไปไวเ้เพื่ออนาคตหลูกล้านของเข้าหลูกของเข้าครอบครัวของเข้าจะได้ใช้ในอนาคตต้องเก็บวันไปเก็บเพื่ออนาคตคัณฑว่าตกทุกแต่อย่างมาเขาก็จะได้ใช้เงื่อนก้อนีเน้เพื่อเจือจุนครอบขั้วของเข้านี่แหละเก็บเพื่ออนาคต อดีตมันพานไปแล้วมันก็ทุกข์ก็จนยังไงมันก็พานไปแล้วแต่อานาคตเท่าบุหงุจักได้ไผ่สิลงไผสิตายตายแน่นอนออไปงานศพคงเข้าต้องมีแต่คนในครอบครัวแต่ว่าผัวใดหิบไปก่อนไปหลังกันเท่านั้นเมื่อถือจุดนั้นมาแล้วเขาสะเอาเงินใส่ใจสิ่งนนี้นมันก็ต้องได้คิดมัดคนในครอบครัวคันผัวเมียบวกคิดคนในครอบครัวบวกคิดไผสจมาคิดให้เฮ้าเพราะนั้นต้องซอยกันคิดซอยกันเก็บซอยกันหา แล้วก็สิใส่ใจกับสองเบิงสกอนเนี่ยข่านธรรมภูเข้าหูจักจังสัน น, น่ะขอบรัวน่ะลมเย็นเป็นสุกได้บอทะเลาะบอแยนกันเพราะการใช่หจักประมานแล้วก็พร้อม ก, กันกับอหูเนจักทำบุญทำท่านเพื่อสร้างสมไปในอนาคตข่นานธรรมภูจักทำบุญไกลๆครับว่าเข้าจักทำท่านแบ่งกินแบ่งท่านบแมนที่ทัง้งมดฝนไปบแมนเก็บทั้งเมดบอแมนที่ทำทั้งมด เมื่อห้ามาแล้วก็เออห้าสีสงเคราะห์ไผ่ยังพอแมนสีห้าก็ควรจะสงเคราะห์พอแมนจะหายจังไรย่ำเพลินเจบไขรได้ป่วยแลย้วยามอยู่ดีมิซุกเดือนหนึ่งห้าวจะหาเพลินจังไรใส่มือเพลินเพลินสื่อยุกสื่อยาสื่อขนมนมเน่ก็ควรจะแบ่งขึ้นกันโมเมนต์ที่เก็บทั้งมัดพอนไปหายลูกให้เต่าขึ้นกันให้พว้งสาคณาหน า, าติจังไรกระข้นจะแบ่งคิดแต่ก่อนจะคอยแบ่งให ขวดเก็บกรมีรักษาไว้ก็มีกินเสษปากใสษทองกรมี่ทำบุญทำท่านกรมี่สงเคราะห์พี่น้องลูกหลานพอแม่ก็มี่ยังสั้นแหละ่ะข่านเอาว่าเฮ้าจาักบริหารจัดการยังสั้นครอบผู้พของเฮ้าเข้าไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นแต่ว่าถึงจังไดก็ตามให้ฝากฝังไว้อย่าลืมในชีวิตประจําวันของเฮ้าเฮ้าต้องขึ้นไปยุเสมอว่า ผู้ข่ยจะต้องมีจุดจบแน่นอนอมีจุดจบก็คือมรณะไพยจะต้องมาถึงผู้ขาแน่นอนอีกสักมือหนึ่งเพราะนั้นผู้ขาจะตั้งอยู่ในความประมาทเนออสอนเก๋ยลึกๆ ก, กลอวไปอันนึ่งไพสอนกันบ่ได้คันหลวงพ่อสอนเนี่ก๋เหมือนกับหลวงพ่อเอาความตายมากคมมากคูกันเพื่อให้กลัวอคันหลวงพอว่อวองสิคันหลวงพอว่ อ, พอเบาๆก็ไม่มีผลอะไรเบาได้บ้านเนี่ยพอการพะเวบาๆไม่มีผลอะไรเบาหนไปแนวสิ แต่บ้าเบาขึ้นมากเเดี๋ยวจะหาดูถูกกันอีกมันออกไปอันนี้พระเบาหนึ่งเบาให้คิดมันออกไปเอี่ยหลวงพ่อเบาเบาให้คิดมันปวดใดกะดีจะหนีจุดนั้นบ่ผลอีหลี่เนี่ยพราะนั่นในเฮ้าเตรียมพร้อมไว้สร้างสมบุญกุศลไว้ไหวพระสวดมนต์ไว้ทำบุญทำท่านไว้นางภาวนาไว้เออจากนั้นเมื่อเฮ้ามีทุนในจิตใน ใ, นใจของเฮ้าแล้วเทไงน่นาจะจิตใจของเฮ้าขออภัยคุณ บอก ว, ว่าเวอ่างวังเงียบเหงาเสาซึ่มขันาว่าห้ามมีถ้ำในจิตในใจขันาว่าห้ามมีศีลมีถ้ำในจิตในใจคิดถึงมาเอไพรมลนาไพ่ทั้งนาความตายทั้งนาเนี่ยมันสะดุง้งยางแห้งเลยเด้ดเพราะมันเจ็บไข่ได้ป่วยเท่านั้นแหละบ้านไอ้แห้งมีตก๊กกลางวนหลกันออกไปกินบดได่นอนบลับกัน ไ, ไปเอาไปอาม่าก็เลยเขาว่า เป็นโรคไพ่ไข่เจี๊บตั้งสี่แล้วว่าไปบวชหลอดเลยตายก่อนจำมันไปพ่อยันมันคิดมากเด็เออมันยากมันไปพ่อนั้นสิงเราเนี่ยเขาต้องคิดไวในใจอยู่เสม อ, อ, อมาณะไนะพ่ต้องถึงเข้าแน่นอนอีกสักมือหนึ่งจังไรก็เถอะนข่าวพระเจ้าจะสั้งสมคุณงามความดีเอาไว้ไหวพระสวดมนต์ไวนั่งพระวนาไว เ, เพื่อหาวนทางต่อไปในอนาคตผู้ขาตายแล้วผู้ขาเสือ่อ พ่อแม่คู่บาอาจารย์เชื่อหลงปูหลงตาของเฮ้าที่พจนสอนมาตายแล้วเกิดเตอร์ตายแล้วบวศูยยนย์วิญญาณของเฮ้านะจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆผู้ขาที่สร้างสมบุญเอาไว้ใส่จิตใส่ใจเอาไว้เนี่แหละให้เฮ้าคิดไว้อยู่จังสั่นเสมอวันออกไปจึงเป็นผู้บวชประมาทเต็มมือหนิก็พวกเฮ้ากัานั่นแหะคิดว่าวิญญาณพ่อแม่ปุญญาตายยายของเฮ้าเบื่อเป็นหลวงรับรับขันไปแล้วเฮ้าก็บวมันใจให้กันว่าเพิ่นฉิบ ไปอยู่ณสถานที่ใดทิณใดบางที่พณอาจจะมาอยู่กับพวกเข้าอยู่พวพวกเข้าก็อมองบอร์เห็นเพราะนั่นกันบ่มีทางอืน่นในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพณก็บอกว่าเมื่อพ่อแม่ล่วงรับไปแล้วอพวกเข้าทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพินินเพราะว่าทุนเนี่เพลินให้เข้ามากหัวจุดตีนทุ่นของพ่อของแม่ให้เข้าเพราะนั่นเขากวรจะแท่นทุน่นเพิินอันนี้คือ การทำบุญอุทิศส่วนกุศลโยมลงพอนะ่ะที่มามือนเด็กก็ไม่ออกเพิ่นกับลูกหลานเพิ่นนะมาใส่บาตรก็คงจะมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลถึงโยมโยมลงพอนะดูแลวัดว่ า, าศาสนาของเฮาตั้งแต่ริเริ่มสร้างวัดขึ้นกันอยู่ใกล้ชิดวัดของเอา้าใกล้ชิดลงพอนะอ่าเออยโยมเบียงโ ย, ย, ยมจินดาไะโยมจู่นี่แหละโยมขิมที่ร่วงรับรับขันไปหลายคนรแล้วเด้ลงพอกับ แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลขึ้นกันโอ้ลูกสิทธุลูกหาเนะ้อภูเขายังมีชีวิตอยู่ได้บ่มเพ่นท่านศิลปภาวนาโยบุญกุศลใดก็ให้แต่มารับส่วนบุญส่วนกุศลเนาะออกตนญาติโยมเนอนะลงพอกับไหวพระสวดม น, น, นต์ ข, นขึ้นกันอุทิศส่วนกุศลขึ้นกันบ่ได้ละบ่ได้ไล่ขึ้กันแล ะ, ละลึกถึงบุญคุณของลูกสิทธุลุกหาออกตนญาติโยมที่เกือ้อกูลหนุนกันเพื่อนพวกเข้า หรือ ม, มาทำบุญแต่ละครั้งเดือไปทำบุญดูไซก็ตามนะ้ะให้บุตทิดชวนกุศลถึงพอถึงแม่ปุญาตายง่ายผู้มีอุปกราระคุณสำหรับพวกเข้าทั้งหลายตตอนนี้ไปลงพอจากอนุโมทนาให้พ่อในบาทนี้นะ้า